ไปประเรื่องของพระเจ้าสุปากพุทธราชาทิบรีการเมืององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประพัก์อยู่ณนิโครธารามเพื่อทรงประกาศพระสัทธธรรมนำประชาว์ให้พ้นออกจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารอยู่นั้น พระเจ้าสุขพุท ธ, ธาราชาธิดีซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระนามพิมพาแห่งกรุงเทวทถานครได้ทรงมีการผูกอาฆาตไว้ในใจต่อสน็จรับโรงครูของเราโดยลิมพึงคิดผูกอาฆาตอยู่ในใจว่าพราสมณพระโคดงพระสมณระโคดงก็จะต่ออะไรก็เป็นตัวชายสรัท ธ, ธารับเอาลูกหญิงพิมพา ที่ดาของเรามาเป็นชายาแล้วก็ลกทิ้งหนีไปบวชสักเออน่าสงสารลูกสาวของเราจริงๆและเมื่อเจ้าชายเทวทัตลูกชายของเราเข้าไปบวชอยู่ในสำนักแทนที่จะเอาใจใส่ยกย่องโดยดีเออก็กลับพราเป็นผู้ค่มขู่ให้เทวทัตต้องท้อใจอยู่เงืงอเงๆหากมีโอกาสเราจะแก้แค้นจงได้ ด้วยพระองค์ทรงําริกอย่างนี้ก็ใช้เวลาคิดแค่แค้นอยู่เวลาหนึ่งวันหนึ่งทรงคิดอุบายที่จะการแกล้งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราขึ้นได้จึงทรงลงจากพระมหาปราศาสตรที่ประทับอยู่แต่เช้าตรู่พร้อมกับทหารมหาเล็กรักษาพระองค์หมวดหนึ่งแล้วเสด็จไปประทับนั่งเซยน้ําจันทร์อยู่ที่กลางถนนอันเป็นหนทางที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เคยพาพิสุสงเข้าไปบินทบาทโดยพระองค์ผีพระราชประสงค์ว่าโอรสเขาจักแพ่งนั่งขวางถรนอยู่ด้วยมูทหารมากมายท่าวนี้ก็คงจะสมใจอย่างแน่พระสมณกโคโดมก็คงจะอดอาหารเพราะไม่สามารถที่จะผ่านถนนนี้เข้าไปบินทบาทในเมืองได้ ชักครู่ต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับพิสุสง์เป็นจำนวนมากก็ได้เสด็จพระพุทธนําเนินมาตามถนนสายนั้นเพื่อจะเข้าไปโปรดสัตว์อันเป็นพระพุทธกิจประจำวันประชาชนทั้งหลายเห็นพระเจ้าสุตาพุท ธ, ธราชาธิบดีทรงนั่งขวางถนอนอยู่สวยน้ำจันทร์มีหมู่ทหารแวดล้อมอยู่เช่นนั้นคนหนึ่งซึ่งมีใจกล้าก็ระะีบวิ่งเข้าไปเข้าเก้า องสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งตนแล้วกรบาบบังคมทูลพระกรุณาอย่างรเรียบร้อนว่าขอเดชะพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐปัดนี้สมเด็จพระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาทางนี้แล้วพระเจ้าค่าก็ทางอะไรทระสมณโคดมเสด็จมาก็เป็นเรื่องของพระสมณโคร ม, มเมไรไ ม, ม, ม่เกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าขอเดชะ แต่พระองค์ประทับนั่งอยู่กลางถนนแห่งนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จไปได้อย่างไรเล่าพระเจ้าข้าโอ้เจ้านี่ยังมาโูนอย่างนี้อีกข้าบอกแล้วไงว่าพระสมณโคดมจะมาก็มาจะไปก็ไปก็ช่างเถอะข้าไม่สอนด้วยและจะนั่งอยู่อย่างนี้จะมีอะไรหรือไม่เพราะข้านั้นมีอายุมากกว่าพระสมณโคดมเข้าใจไหม องค์ตราตรึงนี้แล้วก็เสวยน้ําจันทร์ต่อไปไม่มีใครกล้าที่จะทูลทัดทานท่านได้เลยเพราะกลิ่นแรงในพระบรมเดชานุภาพแห่งกษระสับกลัวว่าจะได้รั บ, รบอาญาอย่างหนักแต่พระองค์ผู้มาเป็นด้วยความมืดแห่งพระห์ไทยก็ได้หาทรงเชื่อฟังไม่ฝ่ายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงภาพพระพิสุสง่ส์ดเสด็จมาถึงที่นั้นและได้ทรงเห็น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นลุงพระทัพนั่งขวางถนนอยู่นั้นสแสดงอาการที่โกลนอยู่ก็บ่ายพระพทักพาที่สุสงย้อนกลับไปสู่วิหารเพราะเหตุที่ไม่สามารถที่จะเดินฝ่าถนนไปได้ขณะที่พระพุทธองค์สเสด็จดําเนินกลับไปนั้นส่งแย้มพระโอษฐ์ให้ปรากฏขันพระอานน์เถระผู้เป็นพระอนุชาแห่งพระราถาโคดเจ้า จึงได้ทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเน้อเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระองค์ทรงกระทำการแย้งพระโอ์ให้ปรากฏพราาะเจ้าข้าเมื่อครูน่นี้เธอได้เห็นสมเด็จพ ร, ระเจ้าลุงสุภพุรุราชาไม่เล่าอานนท์เห็นพระเจ้าข้าสมเด็จพระเจ้าลุงสุภพุรุษราชา ทรงกระทการขวางโสนนั้นไม่ได้ผลทางแก่พระทศวลสัมมาสัมพุทธเจ้าเพืออ่อเข้าไปโปรดสัธเช้าวันนี้นับได้ว่าแต่ทรงกระทำกรรมอันหนักมากดูก่อนอานนุ์เราจะพยากรสืบต่ อ, อไปว่าพราะกรรมอันหนักที่สมเด็จพระเจ้าลงสุภัพะทราชาทรงกระทำในวันนี้ต่อจากนี้ไป เมื่อครบเจ็ดวันแล้วพระองค์จะถูกรนีสู่ักเธองบันไดภายใต้พระมาหาประสาทแห่งพระองค์นั่นเองฝ่ายสมเด็จพระเจ้าสุภปปัพุทธาราชาเทบรีเมื่อทรงการแกล้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อไม่ให้เข้าไปบิณฑบาต ในเขตราชสถานีได้สนประสงค์ก็ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นพระสา ม, มาสัมพุทธเจ้าทรงพาพระพิสุสงย้อนกลับไปยังวิหารแล้วก็ได้ทรงมีพระราชาเทือไทยของแท้วปรีดารูต่อมาจึงได้ทรงจบระบุุษคนหนึ่งให้ติดตามหมู่พระพิสุสง์นั้นไปด้วยพระบัญญัตสั่งว่าเจ้าท้อยเจ้าจงถามไป จงไปสอดแนนรู้ว่าพระสมณโคดมจะกล่าวถึงข้าอย่างไรบ้างฝ่ายจารบุรุษเมื่อได้รับพระราชโองการแล้วก็รีบติดตามหมู่พระพิสุสงมาเมื่อได้ฟังคะถาที่พระภิสุสง์วิภาวิจาร์กันถึงเรื่องที่พระเจ้าสุภพุทธราชาจะถูกแผ่นดินสู อ่านการเรื่องใหญ่ตามพระพุทธดีกาพยากร์เช่นนั้นรัากาะบุตรได้สอบถามเป็นที่แน่นอนแล้วจึงตรีบตรงมาอย่างพระราชวังขึ้นไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวแห่งตนเออน่เจ้าหลายของเราได้กล่าวอย่าไร่บ้างหรอกได้รับอาหารบิทรบาววันนี้เนี่ยป ก, ปก็คงจะหิว เป็นอย่างแน่นมั่นเลยไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าข้าเออก้าพระองค์ได้สืบทราบมาว่าบรรดาพิจุ ส, สงกล่าวว่าสมเด็จพระราชาธิบดีจะต้องเออเอทรงทรงถูกธนิษฐ์ศพอีเจวันข้างหน้าพระเจ้าข้าตามพระพุทธดีกาเพราะว่าป็นกรรมที่พระองค์ทรงกระทําเนี่ชาวันนี้หนักเือเกินพระเจ้าข้าฮ ะ, ะข้าจะรู้จะโคพันธุศก์ไ เป็นไปไม่ได้ถ้าไม่เชื่อแต่ถึงกระนั้นพระเจ้าสุภอุทธะก็ทรงนึกวันเกรงพระไทยเป็นอันมากและรทรงคิดลวนอยู่ในใจว่าโทษแห่งคำพูดผิดพลาดแห่งพระสมณโครมหลานกของเราดีไม่เคยมีเลยตั้งแต่ไหนจะรไยบ้า เมื่อพระสมณโคดมพรสัสิงไดสิ่งนั้นย่อมเป็นไปและปรากฏมีตามพระจันทร์ตุตระกร้อนเมื่อพระเจ้าสุขพุทรงพิจารณาเช่นนี้แล้วองค์พระราชาธิวดีก็ให้มีพระไทยอันวาดวันเกรงกลัวต่อมรณะภัยที่จะมาถึงพระองค์เป็นอย่างมากหากแต่ว่าคัตยมานะอันมีอยู่เป็นประจำ ก็ทำให้ทรงตัดสินเท่าไหร่ในที่สุดว่าแม้ว่าเราจะถูกธรณีสูตรายจริงเช่นพระสมณโคดมว่าเราก็จะขอโ้มูน้าตายเพราะบาปกรรมที่เราได้ทไว้ก็คงจะแก้ไขมาได้แล้วแต่ว่าพอนเราจะขาดใจตาทน้่แหละเขาจะทำให้พระสมณโคดมเป็นคนพูดไม่จริงทั้งหมดให้ปรากฏแก่ชาวโลก ก็ในเมื่อพระองค์มีพระพุทธฎีกาว่าพระเจ้าสุภพุทธาราชาจะทูปแผ่นินโศกในวันที่เจ็ดนัดเชิงบันไดปราสาทเรื่องล่างเพื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องแต่นี้วิกนาทีนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ย่างไกลไปที่เชิงบันไดปราสาทเรื่องรางเลยขอคบเจ็ดวันหากแม้ว่าเราจะต้องทูปธรณีโศกตายก็จัเป็นที่อื่นที่ใช้สถานที่นั่น เมื่อเราตายไปได้ปาคารอย่างนี้ผู้ที่พยายามบอกวเราคือพระสมณโคโดมซึ่งคนทั้งหลายปาคารชื่อช ม, ว, ม, ว, ม ว, ว่าเป็นผู้ที่ผีวาจาไม่ผิดเพี้ยนก็จะปรากฏว่าเป็นผู้ผีวาจาผิดเพี้ยนคือกล่าวพยายรมจริงบ้างไม่จริงบ้างจะเชื่อเสียทีเดียวก็สงบไม่ได้ฮ่า <c> ๆ <oughs> ไว่าราจะตายไปกว่าจริง ก็อาจจะยังโทษให้เกิดแก่พระสมณโคดมโดยอุบายอย่างนี้เมื่อพระเจ้าสุภอุทธผู้ทรงมีความอาฆาตในพระราชาฤกษยาึ ก, ากึ้ง ทรงคำนึงกับด้ความโง่เขลาเบาปัญญาเช่นนี้แล้วก็ได้ทรงดำเนินการตามที่ทรงตระเร็ดไว้ทันทีนั่นคือพระองค์ทรงรับสั่งให้ข้าราช บ, บริพารทั้งหลายพากันขนเอาเครื่องราชูป่อโคที่จำเป็นไว้บนปราสาทชั้นที่เจ็ดซึ่งเป็นชั้นสุดท้ายให้เพียงพอ และสรงคัดเลือกทหารผู้มีร่างกายกำยำแข็งแรงไว้เฝ้าประตูทุกทุกชั้นประตูละสองคนเป็นกรณีพิเศษและส่งประชุมทหารผู้มีร่างกายกำยำแข็งแรงซึ่งมีความจงรักภักดีต่อพระองค์ว่าเอาระตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพวกเจ้าทั้งหลายเห็นตัวข้านี้ลงมาจากปราสาบรึงบนจะผ่านประตูที่เจ้าเป็นเวรยามแล้วด้วยไซ พวกเจ้าอย่าได้เกรงใจเลยถ้าชกได้ก็จงชกถ้าตีได้ก็จงตีชกได้ก็จงชกเสรแล้วชดกระชากลากเราให้ขึ้นไปอยู่บนปาษาชั้นที่เจ็ดอีกตามเช่นเคยอย่าได้ปล่อยให้ข้าเลยลงไปข้างล่างไป็นอันขาล่ะเข้าใจไม่เล่า พระเจ้าสุภะพุทธาราชาเถระดีผู้มีนโยบายอย่างนี้แล้วก็ได้บอกหมายกิจที่พึงกระทําในหน้าที่ของพระองค์ให้แก่อํามอาจผู้สามารถทั้งหลายแล้วจึงเสด็จขึ้นไปทรงพักผ่อนพระอริยบทรอบพญามจุราชอัจะมาถึงพระองค์ทํามคำพยากรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในห้องอันเป็นสริเบื้องบนประสาทชั้ น, นาา ท, ที่เจ็ดนั่นเอง ในน้ำเรื่องที่พระเจ้าสุภพุท ธ, ธเจ้าอยู่หัวทรงเตรียมวิธีการต้านทางนิยายมัตุราชโดยพระองค์พยายามที่จะไม่ถูกกระณีสูบที่เชิงบันไดประาสาทเบื้องล่างในน้ำความเหล่านี้มาบอกแก่พระภิจูสงเท่าหลายที่นิโคราธารามพิจูสงเท่าหลายเมื่อได้ทราบความนั้นแล้วจึงเข้าไปกราบทูลให้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์เมื่อได้ฟังแล้วจึงได้ประทานพระพุทธธรรมบอกว่าดูก่อนเธอทั้งหลายย่าว่าแต่สมเด็จพระเจ้าลุงสุภาพุท ธ, ธราชาจะขึ้นไปอยู่บนประสาทชั้นที่เจ็ดเลยและถึงแม้จะมีทหารกำยังเฝ้าราสาประตูอยู่อย่างนี้แหพระองค์จะมีรทธิเข้าขึ้นไปอยู่เวหาแล้ว ถ้ทับนั่งอยู่บนอากาศก็ดีหรือจะทรงหนีไปทางมหาสนุทะเลใหญ่โดยมีนาวาเป็นพระราชานณะพร้อมทั้งทหารแวดล้อมรักษาก็ดีหรือจะทรงหนีเข้าไปในซอกภูเขาก็ดีพระองค์ก็จะต้องคูกแผ่นดินสู่ที่เชิงบันไดใต้ประสาทเบื้องล่างตามที่เรากล่าวไว้นั่นเอง ทังนี้กเพราะว่าทวิภาวะแนวคือความเป็นสองแห่งค่อยคาของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีเป็นทางขาดเมื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายมิใช่แม้แต่เราคถาคตแม้พระพุทธเจ้าองค์อื่นก็ตามพระองค์จากสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมปรากฏเป็นจริงเสมอ พอถึงในวันที่เจซึ่งเป็นวันที่พิสูจน์ว่าพระพุทธีกาที่ว่าไว้จะปรากฏมีผลเป็นประการใดในตอนเช้ามืดวันนั้นพระเจ้าสุปปะพุทธะผู้มีรอาการกระสับกระสายมาตลอดราตรีเมื่อทรงเห็นว่ายังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ทรงมีพระไัยชื้นว่าพระวจนะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคงจะเป็นหมนหรเปล่า ไม่ปรากฏเป็นความจริงเป็นแน่แท้แต่ก็ยังไม่ส่งความพระไทยสิ่งทรงใช้ให้อำมาต์คนสดิตมาบังคับในทหารอย่างแข็งขันเพราะใกล้จะพ้นจากเรื่องร้ายตามพระพุทธธรรมนายแล้ว ลำดับนั้นมาอาสดอนตัวโปรดของสมเด็จพระราชาซึ่งอยู่ที่โรงมา้าก็เกิดอาการคึกขนองขึ้นแต่ี่ฝาโรงม้าอย่างเส้นดังสนั่นกวันไหวโอ้สิอร่อยั่นย่ะมาอาสดอนมองคนพระเจ้าค่ะมันเกิดคึกขนองขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุเลยเอา้าพวกเราลงไปดูกันหน่อยเร็ว อยาอย่าพ ร, ะร่ะองคุลงไปเป็นที่ทราบกันว่าม้าอส ร, รมงคล น, นั้นเมื่อพยศขึ้นมาแล้วไม่มีใครสามารถปราบพยศได้นอกจากพระเจ้าสุ ป, ปัชพุทธผู้ราชาเท่านั้นแต่การลืมตัวก็ได้เกิดขึ้น พระเจ้าสุภปุทษฎะไดรีบลงไปยังปราสาทเบื้องล่างแม้จะมีทหารผู้แข็งแรงกำยำขวางกั้นอยู่แต่ทหารทุกนายนั้นก็ได้ลืมพระราดันดับอันสำคัญไว้ทั้งหมดพระเจ้าสุภปุษฎะก็ได้ทรงรีบวิ่งลงไปยังประสาทชั้นล่างที่สุดบันไดมหาปัตพีใหญ่ก็บังเกิดอาศจร์ ส่งเสียงลั่นคำรามแล้วก็แยกออกไปสองภาคสุกเอากระสับลงไปทา ง, ทางที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่ครูหนึ่งก็พลานปินสนิทลงตามเดิมนั่นหมายความว่าวัดนี้สมเด็จพระเจ้าสุภัพุท ธ, ธแห่งกรุงเทวฐานครได้สิ้นพระชนชีพแล้ว ซึ่งพระชนชีพยังอัศ จ, จรรย์แห่งพระองค์ชิ้นนี้ได้ทําให้เกิดความสุดยอสยอและความสังเวชให้เกิดขึ้นในดวงใจแกมูอามาตและฐานทั้งหลายซึ่งได้เห็นเหตุการณ์อยู่ในขณะนั้นเป็นอันมากและเมื่อต้องทรงถูกพระนิสุกจนถึงสิ่งพระชนสมจริงตามที่พระพุทธดีกาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ทุกประการแล้วสมเด็จพระเจ้าสุภพุทธราชาเสบดี ก็ต้องตรงดิ่งด้ยอุบัติณอเวจีมานรกปรากฏเป็นสัตว์นกใหญ่ร่างกายใหญ่โตถูกไฟเอเวจีนั้นเผาผลาญตราบเท่าถึงทุกวันนี้ พุทธโรคเรืองเรื่องสุต ป, ปะพุทธโรคเรือ น, นี้คนละเรื่องกับเรื่องที่กล่าวมาแล้วนั่นก็คือในคัมภีร์อุทานอยู่ในเป้าไตปิดกเล่มที่ยี่สิบห้าหน้าที่หนึ่ง้อยสิบเจ็ดถึงหนึ่ง้สี่มีความว่า สุปาพุทธะได้บรรลุโสดาปฏิผลพระฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาว่าแจ่มแจ้งเห็นชัดเหมือนหายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบ่าทางแต่คนหลงทางส่องประเทศในที่มืดให้คนมีจักรสุดได้เห็นรูปขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ตลอดชีวิตหลังจากนั้นสุปาพุทธะ ก็ได้หลีกไปแล้วถูกโคตัวหนึ่งขิดจนสิ้นแค่ชีวิตเรื่องสุขพุท ธ, ธะที่เป็นโรคเรื้อนแล้วสิ้นชีวิตนั้นที่สู่หลายรูปเมื่อได้ทราบแล้วเกิดข้อสงสัยจึงได้เข้าเฝ้าฟูลถามแก่พระศาสดา ว, ว่า ขาแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเ อ, อ่อคติสัมภระยาภพของสุภปุทณะนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าสุปปุทณะเป็นสวสดาบันมีคติอันแน่นอนว่าจะต้องรู้ธรรมในภายภาคหน้ามีความไม่ตกต่าเป็นในธรรมดาเพราะเหตุใดสุภปุธธทณะจึงเกิดมายากจนและเป็นโรคเร้นพระเจ้าข้าพระนสาวซดา จึงกลับตอไปว่าเมื่อก่อนนานาแล้วสุตปพุท ธ, ธเกิดเป็นบุตรเศรษฐีที่เหมือราชคลึกนี้เองวันหนึ่งเขาไปอย่างอุทยานได้เห็นพระประเจกพุทธเจ้าชื่อตะคราสิกขีและเที่อวินทบาทอยู่ในเมืองเขาคิดว่าคนเคี่เรื่องคนนี้คือใครหนอแล้วจึงได้ถมน้ำลาย ก้าทำให้พระปารเจิกพุทธเจ้าไว้ทางซ้ายของตนแล้วจึงหลีกไปการหลีกไปทางขวาถือว่าเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงแต่การหลีกไปทางซ้ายถือว่าเป็นการย่างดีเหยียดย่าดูถูก ดยกมเพียงเท่านี้สุปภาพุ ธ, ธต้องตกนรกอยู่หลายพันปีด้วยเศษแห่งกรรมนั้นเขาจึงเกิดมาเป็นคนยากจนในเมือราชสุึกและเป็นโรคเรืองแต่ว่าบัดนี้สุปภาพุ ธ, ธได้อาศัยธรรมวินัยนี้แล้วสมาทานสีมีสถัทธามีจาระมีปัญญาเป็นโสดาบันบังเกิดแล้วอยู่ในเทวโลกชั้นดาวดึง พยายามยังไม่อยู่บัณฑิตพึงเว้นจากบาปเหมือนคนมีตาดีเว้นทางอันเป็นหลุมเลนเสียฉนั้นสุภพุทธะโรคเรือนั้นเมื่อบรุเป็นพระโสดาบันแล้วต้องการปราทูลคุณที่ตนได้บรรลุแก่พระศาสดา แต่ไมอาจเข้าไปข่ามกลางบริษัทได้เมื่อประชาชนพากันกลับหมดแล้วจึงเข้าเฝ้าพระาศาสดาณที่ประทับของพระองค์ขณะนั้นเท้าศักดิกเทวราชรู้ความที่สุภพุท ธ, ธะต้องการกราบทูลพระาศาสดาถึงคุณที่ตอนด้านบนดุแล้วจึงประทับยืนอยู่บนอากาศกับถามกับสุภพุท ธ, ธะว่า สุภปปูุถ้ท่านเป็นคนขัด ส, สนจนทัพย์เราจะให้ทรัพย์อันเป็นอเนกพันธ์แก่ท่านข้าท่านสามารถกล่าวได้ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์มิใช่ของเราพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ไม่มีประโยชน์แก่เราท่านเป็นใครเราเป็นขท้าสักการ ท่านเป็นอันตรภานไม่มีอย่างอายท่านอย่าพูดกับข้าพเจ้าเลยเราไม่ใช่คนเข็นใจไม่ใช่คนขัดสนเรามีอริยทรัพย์ครบทั้งเจ็ดประการคือศรัทธาศีลสุตะจาคะฮิริโกตตะและปัญญาใครมีคุณธรรมทั้งเจ็ดประการนี้ผู้นั้นไม่ชื่อว่าเป็นคนจนเลย สักกะได้ฟังดังนั้นแล้วจึงรีบไปเข้าเฝ้าพระาศาสดากราภัวเรื่องทั้งปว่ให้ทรงทราบ พ, พระาศาสดาตรัสว่าท้าวสักกะ ร, ร้อยองค์หรือพันองค์ก็ไม่อาจทำความลืมสายของสุต ป, ปุทุะให้คลอนแขนได้เลยทำดีดีส่งให้เห็นผลทำชัว ชั่วอนดตน้นชั่วให้ชั่วดีหยุดปราตนตีบอกไว้นาใครชั่วใครดีใส่สืบได้ด้วยกรรมการที่แม่โคลูกอ่อนคีดสุภพุท ธ, ธะถึงแก่ความตายนั้นข่านกล่าวว่าความจริงแม่โคนั้นเป็นานางยักษณนีแปลงมา เพราะเวรที่เคยทำต่อกันไว้ไม่เพียงแต่สุขภพุทธะคนเดียวเท่านั้นคุบุตรชื่อภูกะสุชาติก็ตามพาหิยะทรุจรรยะก็ตามนายโจรขาวแดงก็ตามที่ถูกแม่โควิดตายนั้นก็ล้วนแต่เคยทำกรรมร่วมกันมาลทั้งสิ้นท่านกล่าวว่าในอดีตการคนทั้งสี่นั้น เป็นขลิบุตรเศษฐีสี่คนพาหญิงโสเภณีไปเที่ยวอุทยานหาความสุขสำราญจากหญิงแพรษยานั้นตลอดวันแล้วตกเวลาเย็นจึงได้ปรึกษากันว่าควรจะฆ่าหญิงโสเภณีนั้นเสียแล้วแย่งเอาทรัพย์หนึ่งพันกหาปณะนะและเครื่องประดับไว้หญิงแพร่ยาได้ฟังดังนั้นคิดว่าคนพวกนี้ไม่มียางอาย อาพิรมกับเราแล้วยังจะฆ่าเราเอาทรัพย์เสียอีกเมื่อนางถูกฆ่านางถูกอาฆาตว่าช่าต่อไปขอเราจงเป็นยักษิศีสามารถฆ่าตอบคนเหล่านี้ได้ดังนั้นนางจึงเกิดเป็นยักษินีประหารคนทั้งสี่ให้ตายมาแล้วหลายร้อยชาติ พระาศาสดาทรงแสดงธรรมเป็นอนเนกปริยายเพราะปรารบเรื่องสุภพุทธโรเรอนนี้ในที่สุดได้ประสรุปพระธรรมเทศนาด้วยพระกาถาว่าคนผานมีปัญญาสาลพระพฤตนเป็นดัางศัตรูของตนคือเที่ยวทำกรรมอลามกอันมีผลเผ็ดร้อนเลียนแห่งกรรมดีชั่วตัวเรา เป็นบทแหงกรมของทุคคลต่อไปนำเสนอเรื่องของพระมหาสวินสิบกข้อ พระเจ้าประสณทธิโกศลมหาราชาสเสด็จเข้าสู่นิทารมในราตรีการในปัจฉิมยามทอาพระเนธเห็นพระสุบินนิมิตอันใหญ่หลวง16ประการทรงตรนกพระไทยเติมพระบันทมทรงพระบันริกว่าเพราะเราเห็นนิมิตสุบินนี้จะมีอันตรายแก่เราบ้างหนอ เป็นผู้มีความสะดุ้งกลัวต่อมรณะภัยพระองค์ทรงประทับเหนือพระแท่นที่สายญาณนั้นแหลจนล่วงราตรีการกลรุ่งเช้าพระองค์ได้ไปตรัสถามสุบินีมีส6บหข้อนั้นแก่รามโปรโหิตด้วยความหวาด ก, กลัวโรหิท เห็นในลาบสกาละและรางวัลจากพระราชาเช่นกลาบทูลว่าพระสุบินนิมิตหข้อนี้เป็นภัยแก่พระองค์จะแก้ไขได้โดยการบูชายันด้วยวัตถุอย่างละสี่ซึ่งมีเป็นจนวนมากครั้งนั้นพระนางมัลิกาเทวีทราบเหตุจึงได้เข้าเฝ้าพระราชาแนะนำให้พระราชานั้นไปตรัสถาม ทูลแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นน้าถากของโลกเป็นพระสัพพัญญูเป็นผู้เลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายเมื่อพระราชาเสด็จไปยังพระวิหารเชตวัน ถวายบังคมพระาศาสดาแล้วประทับนั่งอยู่พระาศาสดาทรงเปลงพระสุรเสียงทั็นไห ร, รอ้อแล้วตรัสถามว่ามหาภพิธเหต่เล่ามหาภพิธจึงเสด็จมาดุลมีราชกิจด่วนก็แต่ก็องพูเจลเมื่อใกล้รุ่งหม่อ ม, มท่านเห็นมหาสุบินสิบหกข้อ จึงได้สะดุ้งกลัวบอกเล่าแก่พวกรามพวกรามทำนายว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระสบินนี้รร้กาดนักเพื่อระงับสุบินเหล่านั้นจะต้องบูชายันด้วยยันดวัตถุอย่างละสี่ครบทุกอย่างแล้วพากันเตรียมบูชายันโอูุ้งสัตว์มากมายโคพระนไภคุกคามข้าแต่พระกูมีพระภาคเจ้าพระองค์เป็นบุคคลผู้เลิศในโลก ทางโลกในเทวดาและเนยธรรมที่เข้าไปกำหนดในอดีตอนาคตและปัจจุบันที่ยังมาไม่ถึงซึ่งคันลองในยานมุก ข, ของพระองค์นั้นไม่ได้มีเลยข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดทำนายผลแห่งพสุบินขอมอมชั้นเหล่านั้นด้วยเถิดพระเจ้าข้า เป็นเช่นนั้นทีเดียวมหาบาพิตรในโลกทั้งแถวโลกเว้นทถาคตเสียแล้วผู้อื่นที่จะได้ชื่อว่าสา ม, มารถรู้เหตุหรือผลของพระสุบินเหล่านี้ไม่มีเลยทถาคตจะทํางายให้มหาบาพิตรก็แต่ว่าพระมหาบาพิตรจะตรัส บ, บอกพระสุบินตามคานองที่ทรงเห็นนั้นเถิด ดีแล้วพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าขอกราบทูลพระสุบินทางธรรมนองที่เห็นอย่างที่ถ้วนโดยดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมชั้นทินสุ บ, บินข้อที่หนึ่งอย่างนี้ก่อนว่าโคผูกสีเหมือนดอกอันชันสี่ตัวต่างคิดว่าจะชนกันพากันวิ่งมาสู่ท่อพ้าลาหลวงจากทิศทั้งสี เมื่อมหาชนประชุมกันคิดว่าพวกเราจะดูโคลชนกันต่างแสดงท่าทางจะชนกันบรลือเสียงกำรามลั่นแล้วก็ไม้ชนกันต่างคลายออกไปเออผมชันเห็นสุบินนี้เป็นปฐมอะไรเป็นผลขอสุบินนี้พระเจ้าพ่ามหาภพิษผลขอสุบินข้อนี้จะไม่มีในช่วงรัชกาลของมหาภพิษ ในช่วงศาสนาของอาถรรพต์แต่ว่าในอนาคตเมื่อโลกหมุนไปถึงจุดเสีย่ยงในราชการของพระราชาผู้กำพรา้าผู้ไม่ได้ครองราชโดยธรรมแต่ในการของหมู่มนุษย์ผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อกุศลธรรมลดน้อยถอยลงอกุศลธรรมหนาแน่นขึ้นในการที่โลกเสี่ยงฝนจะแรง และตีนแม่จะขาดข้าวกล้าจกแห้งทุกทิศภัยจะเกิดไม่ทั้งหลายตั้งขึ้นจากทิศทั้งสี่เหมือนจะย้อยเม็ดผอพวกผู้หญิงรีบเก็บข้าวเดิอดเป็นต้นที่เอาออกพึ่งแดดไว้เข้าภายในร่มเพราะกลัวจะเปียกเมื่อพวกผู้ชายต่างถือจอบถือตะกร้าพากันออกไปเพื่อจะกอคันด้านน้า ฝนตั้งเข้าจะตกค้างกระหึ่งฟ้าแลบแต่แล้วก็ไม่ตกเลยลอยหายไปเหมือนโคตั้งท่าจะชนกันแล้วไม่ชนกันฉะนั้นนี่เป็นผลของสุ บ, บินนั้นแต่ไม่มีอันตราย แ, แก่มหาภ พ, พเพราะเรื่องนั้นเป็นปัจจัยมหาภ พ, พเห็นสุ บ, บินนี้อารมณ์อาณาจลฝ่ายพวกพราหมณ์อาศัยการเลี้ยงชีวิตของตน จึ่งได้ทาายยํายายดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้เห็นสุวินขอทีสองอย่างนี้ว่า ต, ต้นไม้เล็กๆและกอไผ่แฉะแผ่นดินพอถึงคืบหนึ่งว่างซอกหนึ่งบ่า ง, ง, งเพียงแค่นี้ก็ผลิตดาวออกผลไปตามๆกันนี่เป็นสุวินขอทีสองที่หม่อมฉันได้เห็น อะไรเป็นผลของสุบินข้อนี้พระเจ้าข่ามหาบพิษผลแม้ของสุบินข้อนี้ก็จะมีในการที่โรคเสื่อมเวลามรดมีอายุน้อยด้วยว่าสัตว์ทั้งหลายในอนาคตจะมีราคาตรากุมารีมีไวัยังไม่สมบูรณ์จะสมสู่กับบุรุษอื่นเป็นหญิงใระดูมีทันพากจะเจริญได้บุจ และธิดาความที่กุมารีเหล่านั้นมีระ ด, ดูเปรตเหมือนต้นไม้เล็กๆมีดอกกุมารีเหล่านั้นจำเริญด้วยดุจและธิดาก็เหมือนต้นไม้เล็กๆมีผลไผ่แม้มีในนิมิตนี้เป็นเหตุไม่มีแก่ ม, มหาบพิตรจงตัสเล่าข้อที่สามต่อไปเถิดมหาบพิตร ผู้เจริญขโมมฉันได้เห็นแม่โคตัวใหญ่ๆทาันดื่มนมของฝูงลูกโคที่เพิ่งเกิดในวันนั้นเออนี่เป็นสุบินข้อที่สามของหมอมฉันอะไรเป็นผลแห่งสุบินนั้นระเจ้าข่ามหา พ, าพิธแม่ผลของสุบินนี้ก็จะมีในอนาคตเหมือนกานั้นจะมีผลในเวลาที่มรดเท่าไหลภ า, ากรและทิ้งเชื้า ปัจจายกธรรมคือความเป็นผู้มีความประพฤติตนอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เพราะในอนาคตปู่สัตว์จะวิได้ตั้งไว้ซึ่งความยังเตยในมารดาบิดาหรือในแม่ยายพ่อตาต่างสแสวงหาทรัพย์สินด้วยตนเองทังนั้นเมื่อปรารถนาจะให้ของจินของใช้แต่คนแก่แก่ก็ให้ไม่ปลาดถนาจะให้ก็ไม่ให้ คนแก่ๆพาทั้งหมดที่พึ่งหาลี้ยงตนเองก็ไม่ได้ต้องมอพวกเด็กๆเลี้ยงที่เป็นเหมือนแม่โคใหญ่ๆพาท่านดื่มนมลูกโคที่เกิดในวันนั้นแม้ไทยมีสุบินนี้เป็นเพศก็ไม่มีแกมหาบพิษทรงตัดเล่าสุบินข้อที่สี่ต่อไปเธอมหาบพิษ ูจเจริญหม่อมฉันเห็นฟูงชนไม่เทียมโคใหญ่ๆที่เคยพาแอกไปซึ่งสมบูรณ์โดยร่างกายและเร็วแรงเข้าในระเบียบแห่งแอดนั้นก็จะกลับไปเทียมโคลุ่นๆที่กำลังฝึกเข้าในแอกโคลุนๆเหล่านั้นไม่อาจจะพาแอกไปได้เลยจึงได้พาการสลัดแอดยืนเฉยเสียเวี่ยนทลาลไหก็ไปไม่ได้อีกเป็นสุวินข้อที่สีของหม่อมฉัน อะไรเป็นผลของสุบินข้อนี้พระเจ้าค่ะมหาบพิตรผลของสุบินแมะขอ้อนี้ก็จะมีในรัชสมัยของพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมในอนาคตเหมือนกันเื่อ ว, ว่าในภายภาคหน้าพระราชาผู้มีบุญน้อยมิได้ดำรงในธรรมจักไม่พักพระร า, าทานยศ แกมหาอมาตผู้เป็นบัณฑิตฉลาดในประเพณีสามารถที่จะยังสมบกติให้รุร่วงไปได้จักไม่ทรงแต่งตั้งอมาตผู้ใหญ่ผู้เป็นบัณฑิตฉลาดในโวหารไว้ในที่วินิจฉัยคดีในโรงศาลแต่พระราชทานยศแก่คนหนุ่มๆตรงกันข้ากับที่กล่าวแล้วนั้นแต่งตั้งบุคคลเช่นนั้นไว้ ในตำแหน่งผู้วินิจฉัยอัตรคดีคนหลงพวกนั้นเมื่อรู้ทั่วถึงราชกิจและการอันควรไม่ควรไม่อาจดำรงยศนานไว้ได้ทั้งไม่อาจจัดทาราชกิจให้ลุล่วงไปได้เมื่อไม่อาจก็จะพากันทอดทิ้งตระการงานเสียฝ่ายอัลหมาดที่เป็นบัณฑิตผู้เป็นใหญ่เมื่อไม่ได้ยศถึงจะสามารถที่จะทํากิจทั้งหลายลุล่วงไปได้ ก็จะพากานกล่าวว่าพวกเราต้องการอะไรด้วยเล่ากับเรื่องเหล่านี้พวกเรากลายเป็นคนภายนอกไปแล้วพวกเด็กนนุ่มเขาเป็นผู้อยู่ในวงในเขาคงรู้ดีแล้วก็ไม่รักษาการงานที่เกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ความเสืยอเท่านั้นจะมีแก่พระราชาเหล่านั้นด้วยประกาศท่างปวงเป็นเสมือนเวลาที่คนจับโรรุ่นรุ่น กำลังฝึกยังไม่สามารถจะพาแอดไปได้เทียมไว้ในแอบและเป็นเวลาที่ไม่จับเอาโคใหญ่ๆผู้เคยพาแอดไปได้มาเทียมแอดฉะนั้นแม้ไพยมีสุบินนี้เป็นเหตุก็ย่อมไม่มีแกนมหาวพิษเชิญตัดบกสุบินข้อที่ห้าต่อไปเถิดมหาบาพิษ องผู้เจริญหม่อมฉันได้เห็นม้าตัวหนึ่งมีปากสองข้างฝูงชนพากันให้ยากที่ปากทั้งสองข้างของมันมันได้เคี้ยวกินด้วยปากทั้งสองข้างนี้ก็นี่เป็นสุบินคอดีหาของหม่อมฉันอะไรเป็นผลของสุบินเหล่านี้พระเจ้าข้ามหาบาพิตรผลของสุบินนี้ก็จะมีในราชการของพระราชา ผู้ไม่จรนงรงในธรรมในอนาคตเหมือนกันนั้นแหลด้วยว่าในการภายภาคหน้าผู้พระราชาโง่เขาไม่จรนงรงธรรมจะทรงแ ต, ต่งตั้งมนุษย์โลเลไม่ประกอบด้วยธรรมไว้ในตำแหน่งที่ใชยคดีคนเหล่านั้นเป็นคนพานไม่เอื้อเฟื้อในบาปุลท่ากันนั่งในโรงสารเมื่อให้คำตัดสิน ก็จะรับสินบนจากมือของคู่คดีทั้งสองฝ่ายหากินเป็นเหมือนม า, ากินหญ้ารื่ปทั้งสองฉะนั้นไท่และมีนาสุวินนี้เป็นเหตก็ย่อมไม่มีแก่มหาภพตอเชิญต่บบอหมอสุวินข้อที่หต่อไปเกิดมหาภพขอแต่พระองคูจเจริญมมชั้นเห็นมหาชน ถัดถูถาทองราคาตั้งแสนกระสาบแล้ะพากันนําไปให้สุนัขจิ้งจอกแก่ตัวหนึ่งด้วยถ้อยคำว่าเกอเชิญท่านเยี่ยวใสในถาทองที่เทิดสุนัขจิ้งจอกแก่ตัวนั้นก็ถ่ายปรัสวัตใสในถาทองทั้นเออนี่เป็นสุ บ, บินข้อทีหกของหม่อมชันอะไรเป็นผลแห่งสุ บ, บินข้อนี้พระเจ้าข่ามหาภพ ผลของสบินนี้ก็จะมีในอนาคตเหมือนกันโดวยว่าในการหายหน้าพัวพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมทรงรังเกียจตุลบุตรผู้สมบูรณ์ด้วยชาเสียแล้วไม่พระราชทานยกให้จะพระพราชทานให้แก่คนที่ไม่มีสกุลเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สกุลใหญ่ๆจะพากังตกยาาสกุลแล้วๆก็จะพาดังเป็นใหญ่ ก็เมื่อพวกมีสกุลเหล่านั้นไม่อาจเลี้ยงชีวิตอยู่ได้จะคิดว่าเราต้องอาศัยพวกเหล่านี้เลี้ยงชีวิตสืบไปแล้วก็พากันยกธิดาให้แก่ผู้ ม, มีมีสกุลการอยู่ร่วมกับคนพวกไม่มีสกุลของกุรชิดาเหล่านั้นก็จะเป็นเช่นเดียวกับถาทองรองเยี่ยวสุนัขจิ้งจอกไผ่แม้มีสุบินนี้เป็นเตก็ย่อมไม่มีแก่มหาบาพิษ เชิญตวบอกสุินข้อที่เจ็ดเธิมหาบพิตอขอแต่พระองคูเฉริญเมื่อมชั้นได้เห็นอย่างนี้พุุ้ดผู้หนึ่งฟันเชือกแล้วหย่อนไปในที่ไกลเท้าแม่สุนัจริงเจาะโซโตวหนึ่งสิงเขากำลังนอนอยู่ใต้ ต่างที่บุรุษตั้ ง, งกัดอินเชือกนั้นเขาไม่ได้รู้เลยทีเดียวนี่เป็นสุบินข้อดีเด็ดของผมท่านพระอะไรเป็นผลแห่งสุบินข้อนี้พระเจ้าขอมหาประพิษผลแม่ของสุบินข้อนี้ก็จะมีในอนาคตเหมือนกันเดยว่าในการภายหน้ามูสตรีจะพากระหละโลเลในบุรุษลุ่มหลงอนโราเอาใ่แต่งตัว ชอบทอ เ, เที่ยวเตะตามสนผลทางเห็นแก่อามิสเป็นหญิงทุบสีมีความปัะพฤตชั่วชาพวกนางจะกลุ้มลุมแย่งเอาทรัพย์สินที่สา ม, มีทำงานมีกสิ ก, กรรมและโคลกระ ก, กรรมเป็นต้นสั่งสมไว้ด้วยยากลํบบากลำเค็นเอาไปซื้อจุราดื่มกับชายชู้ซื้อดอกไม้ของหอมเครื่องลูปไล่มาแต่งตน คอยสอส่งมองหาชูโดยส่วนบนของบ้านที่มิชิดว้างโดยส่วนที่รับตาบ้างแม่ข้าวเปลือกที่เตียงไว้ชั้นระด บ, บ่านในวันรุ่งขึ้นก็ออกไปซ้อมจัดทำเป็นข้าวต้มข้าวสวยและของเคี่ยวเป็นต้นมากินกันเป็นเหมือนนางสุนัขจิ้งจอกโซที่นอนใต้ตังคอยถัดกินเชือที่เขาฝังแล้ว อยอดลงและได้ไ ท, ท่าาวฉนันนั้นไผ่แม้วิสุวินนี้เป็นเหตุก็ยังไม่มีแก่มหาบพิษเชิญจอเจ้าสุวินข้อที่แปต่อไปเกิดมหาลุกขอแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเห็นตุ่มน้ำเต็มเปลี่ยนลูกใบใหญ่ว้หนึ่งตั้งอยู่ที่ประตู ว, วังล้อมด้วยตุ่มเป็นอันมาก เปิดวันณนะทั้งสี่ของหม้อตักน้ำก็มาจากทิศสี่และทิศน้อยทั้งหลายเอามาใส่ลงตุ่มที่เต็มแล้วฉะนั้นแลน้ําก็เต็มแล้วเต็มอีกจนไหลล้นไปแม้คนเหล่านั้นก็ยังเทน้ําลงในตุ่มนั้นอยู่เรื่อยแต่ก็ไม่มีผู้ที่จะเลี้ยงแลดูตุ่มที่ว่างๆเสียเลยอันนี้เป็นสุบินข้อที่แปดของหมอง่อมฉันอะไรเป็นผลของสุบินข้อนี้พระเจ้าข้า มหาบพิตรผลแห่งสุบินนี้จะมีในอนาคตเหมือนกันแื่ว่าในการภายหน้าโลกจะเสื่อมวหวนแฟนจะหมดความหมายพระราชาทั้งหลายจะตกย่าเป็นคำพาองใดเปันใหญ่องนั้นจะมีพระราชทรัพย์เพียงแสนกาษสาในท้องพรคลางพระราชาเหล่านั้นตกย่าทั้งอย่างนี้ จะเตอนให้เช้าชนบททุกคนทำการเพาะปลูกให้แก่ตนพวกมนุษย์ถูกปิเดียนต้องละทิ้งางานของตนหากันเพาะปลูกผุกพันพืชและอัตรงพืชคืออาหารมีข้าวสาลีเป็นต้นและของว่างน้ำอาหารมีสั่วนาเป็นต้นให้แก่พระราชาทั้งหลายเหล่านั้นต้องช่วยกันเฝ้าช่วยกันเก็บช่วยกันเกี่ยว ช่วยกันนวดช่วยกันขนช่วยกันเที่ยวน้ําอ้อยเป็นต้นและช่วยกันทําสวนดอกไม้สวนผลไม้ทางันขนปุกพันธุ์พืชเป็นต้นที่เสร็จแล้วนั้นในที่นั้นนั้นมาบรรจุไว้ในยุ้งฉางของพระราชาเท่านั้นแม้ผู้ที่มองดูยุ้งฉางเปล่าเปล่าในเรือนข้างหลังของตนจะไม่มีเลยจะเป็นเช่นเดียวกับการเติมน้ําในตุ่มที่เต็มแล้ว ไม่เหลียวแลตุ่มเปล่าๆบ้างเลยนั่นแหลไทแม้มีสุบินนี้เป็นเหตุจะไม่มีแก่มหาวพิษเชิญจัดเล่าสุบินข้อที่เก้าเถิดมหาวพิขธอาาขอแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้เห็นโบครณีสะหนึ่งแต่ละดาก็ด้วยประทุมห้าสีหรือมีท้าขึ้นลงรอบได้ ฝูงสัตว์สองเท้าสี่เท้าต่งางพาเข้ลงดื่มน้าในสระนั้นโดยรอบน้ําที่อยู่ที่ลึกกลางสะนั้นขุ่นมัวแต่ในที่ซึ่งสัตว์สองเท้าสี่เท้าพากันย่าเหยียบนั้นก็กลับใสสะอาดไม่ขุ่นมัวเลยหม่อมฉันได้เห็นอย่างนี้นี่เป็นสุ บ, บินขอดีกล่าวของหม่อมฉันอะไรเป็นผลของสุ บ, บินขอนี้พระเจ้าข่า มหาภพิทผนแห่งสุบินนี้จะมีในอนาคตเหมือนกันด้วยว่าในการหายภาคข้างหน้าทา ร, ราชาทั้งหลายจะไม่ตั้งอยู่ในคำลุกอภิติโดยอำนาจความพอใจเป็นต้นสวยราชสมบัติจะไม่ปอบทานการวินิจฉัยอัตรกรตีโดยธรรมมีพร ะ, พระว่าชาวลุไมุ่งแต่สินบนโลเลทรซับขึ้นชื่อว่าพระธรรม คือความอดทนความเวตตาและความเอ็นดูของประชาชเหล่านั้นจะไม่มีในหมู่ชาวแว่นแผนจะเป็นผู้กลักลัยหยาบคายคอยจะบยดเบีย น, น, นหมูมนุษย์เหมือนอีบอ้อยด้วยหีบยนจะกำกหนดให้สวยตาตาต้านเกิดขึ้นเก็บเอาทรัพย์พวกมนกุษย์ถูกกระรีดสวยอากรหนักเข้าก็ไม่สามารถจะให้อะไรอะไรได้ หากการทิ้งคานิคมเป็นต้นเสียอบพย้ายกไปสู่ปลายแดนตั้งหลักฐานและที่นั้นจนกรศูนย์กลางจะบ้าเปล่าจักวรชายแดนจะเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเหมือนนามกลางสรโคลนีคุณนน้ที่โดยฟั่งรอบๆกับใสฉันนั้นไทยแม้มีสุบินนี้เป็นเหตุก็ย่อมไม่มีแกมหาปพิษเชิญกรับเล่าสุบินข้อที่สิบต่อไปเถิด งาแบบนี้ข้อแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้เห็นข้าวสุกที่คนหุงในหม้อเดียวกันแท้ๆแต่หาสุกทั่วกันไม่เป็นเหมือนผู้หุงตรวจดูแล้วว่าไม่สุกเลยแยกกันไว้สามอย่างคือข้าวหนึ่งแฉะข้าวหนึ่งยิบส่วนข้าวหนึ่งนั้นสุกดีนี่เป็นสุบินข้อที่สิบของหม่อมทัน อะไรเป็นผลแห่งสุบินนี้พระเจ้าข้ามหาปพิษผลแม้ขอสุบินข้อนี้จะมีในอนาคตเหมือนกันด้วยว่าในการภายหน้าพระราชาทั้งหลายจะไม่ดังรงในธรรมเมื่อพระราชาเหล่านั้นไม่ดํารงในธรรมแล้วข้าราชการก็ดีทางและข้าบดีก็ดีชานิคมชาชนบทก็ดี รวมถึงมนุษย์ทั้งหมดนับตั้งแต่สมณพุทธความจะพากันไม่ตั้งอยู่ในธรรมแหนเท้าดาทั้งหลายก็จะไม่สรงธรรมแหนราชการแห่งอัตธรรมวิกราชทั้งหลายลมเท่าหลายจะพัดไม่เสมอพัดแรงจัดทําให้วิมานในอากาศของเถ้าดาใสสะเทือนเมื่อวิมานเหล่านั้นถูกลมพัดสั่นสะเทือนฝูงเทวดาก็าพากันโกรธ แล้วจะไม่ให้ฝนตกถึงจะตกก็จะไม่ตกกระหน่าทั่วแวน่นแฝงพิฉนั้นจะไม่ตกให้เป็นอุปการะแก่การใดการหวานในที่ทั้งปวงจะไม่ตกระหน่าทั่วถึงแม้ในชนบทแม้ในบ้านและในประพันธ์แห่งหนึ่งแม้ในสากลูกหนึ่งเหมือนกัน่ำกับในแว่นแฝงฉนั้นเมื่อตกต้อนหลือของประพันธ์ ก, ก็จะไม่ตกในตอนใต้เมื่อตกในตอนใต้จะไม่ตกในตอนเหนือข้าวกล้าในตอนหนึ่งจะเสียเพราะฝนชุกเมื่อฝนไม่ตกในส่วนหนึ่งข้าวกล้าจะเหี่ยวแห้งเมื่อฝนตกดีในส่วนหนึ่งข้าวกล้าจะสมบูรณ์ข้าวกลา้ล า, กลาที่หวานแล้วในขอบคันตสีมาของราชาพระองค์เดียวกันนนั้จะเป็นสามสถานด้่ยประการนี้ เหมือนข้าวสุขในหม้อเดียวมีผลเป็นสามอย่างฉนั้นไท่แม้วิุบินนี้เป็นเอตจะยังไม่มีแก่มหาภ์เชินขัดเล่าสบินข้อที่11ต่อตอบไปเถิดมหาภพขอแต่พระองค์ปูดเถินรมมอมท่านได้เห็นคนทั้งหลายออกแก่นจันทร มีราคาตั้งแสนกศะสอบขายแลกกับเพลียงเงน่านี้เป็นสุบินข้อพิสเจนตของหม่อมชันอะไรเป็นผลแห่งสุบินนี้เล่าพระเจ้าข่ามหาบพิษแม้ผลแห่งสุบินนี้ก็จะมีในอนาคตในเมื่อศาสนาของตถาคตเสื่อมโทรมนั่นและด้วยว่าในการภายหน้าพวกพิสุขอรชีเห็นแก่ปัจจัยจะมีมาก พวกเหล่านั้นจะพาการแสดงธรรมเทศนาที่ตถาคตลากล่าวติดเตียนความละโมบในปัจจัยไว้แก่ชนเหล่าอื่นเพราะเหตุแห่งปัจจัยสี่มีจีวงเป็นต้นพวกเขาจะไม่สามารถแสดงธรรมให้คนจับปัจจัยทั้งหลายแล้วตั้งอยู่ในฝ่ายธรรมนำสัตว์ให้คนจับทุกข์มุ่งตรงสู่พระนิพพานวนทั้งหลายก็จะฟังความสมบูรณ์แห่งบทและพยัญนะ และสำยิงอันแพ้ร้ออย่างเดียวเท่านั้นแล้วจะถวายเองและยังชนเหล่าอื่นให้ถวายซึ่งปัจจัยทั้งหลายมีปีวางเป็นต้นอันมีค่ามากพิสุทธทหลายอีกบางพวกจะพาจัดดั้งในที่ต่างๆมีท้องถนนสี่แยกและประตูวังเป็นต้นนแล้วแสดงธรรมแ ล, ล่กรูปิยัะมีเหรียญกระสาขึ่งกระสาเหรียญบาทเหรียญมาศเป็นต้น โดยประการชนี้ก็เป็นเอาทําที่ตถาคตแสดงไว้มีมูลค่าควรแก่พร่าิีพานไปแสดงแกนกปัจใจสี่แยรูปียักษมีเหล้นกระสาลและเหลนยญพื้นกระสาเป็นต้นจะเป็นเหมือนฝูงคนเอาแกงจันมีราคาตั้งแสงไปขายแนกเลงเน่าฉะนั้นแม้ไทยมีสุบินนี้เป็นเหตุก็ยังไม่มีแกมมหาภพิษ เชิกตับเล่าสุบินข้อที่สิบสองต่อไปเถิดมหาภพิตข่าแตกพระองค์ูเจริญมอมชั้นได้เห็นกระโหลกน้ำเต้าจมน้ำได้อะไรเป็นผลแห่งสุบินนี้พระเจ้าข่ามหาภพิตผลแห่งสุบินนี้ก็จะมีในอนานคตการเมื่อโลก มุนไปถึงจุดเสื่ยงในราชการของพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมโดยหวันครั้งนั้นพระราชาทั้งหลายจะไม่พระราชทานยศแกค่คนบุตรผู้สมบูรณ์ด้วยชาติจะพระราชทานแก่ผู้ไม่มีสกุลเท่านั้นพวกนั้นจะเป็นใหญ่อีกฝ่ายหนึ่งจะยากจนถ่อยคําของพวกไม่มีสกุลดูกระโลกน้าเต้าดูกระหนึ่งอย่างราบลงแน่น ในที่เฉพาะประพักพระราชาก็ดีที่ประตูวังก็ดีที่ประชุมอามาก็ดีที่โรงสารก็ดีจะเป็นคำไม่โยกโลงมีหลักฐานแน่นหนาดีแม้ในสังฆสันนิบาตคือที่ประชุมสงเล่าในกิจกรรมที่สงพึงคำและคณะพึงทำก็ดีทั้งในสถานที่ดำเนินอธิการเกี่ยวกับบาจีวร และบริเวณเป็นต้นก็ดีถ้อยคำของคนชั่วทุกศีลเท่านั้นจะเป็นคำนำสะออกิดจากทุกได้มิใช่ถ้อยคำของพิสุขผู้รักชีเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเป็นเหมือนการเป็นที่จมลงแห่งสระโลกน้ำเต้าแม้ด้วยประการทางกวงไทยแม้มีสุบินนี้เป็นเหตุก็ยังไม่มีแกนมหาภิท เชิญปรับเล้าสบินที่13บมเมหาบพิต สแลหลงกระทำบาปกรรมย่อมเกิดขึ้นได้กับบุคคลทั่วไปผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่สัตว์ท้หลายมีกรรมเป็นของของตนกรรมที่บุคคลทำไว้ดีหรือชั่วก็ตามบุคคลนั้นย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้น สร้างสรรค์พุทธศาสนานและสังคมขอเสนอเรื่องกฎแห่งกรรมชุดที่สโดยได้นำเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจหลายเรื่องเพื่อแสดงให้เห็นถึงเรื่องของกรรมดีและกรรมชั่วรูปรวมและจัดทำโดย สนที่ชัยทวยโชคทัพสินมวนที่สาม ฉันได้เห็นศิลาแท่งครึ่ใหญ่ขนาดเรือนยอดลอยน้ำเหมือนดังเรืออะไรเป็นผลแห่งสุบินนี้พระเจ้าค่ามหาปพิษผลแห่งสุบินนี้ก็จะมีในการเช่นนั้นเหมือนกันด้วยว่าในครั้งนั้นพระราชาผู้ไม่ต้านอยู่ในทัท้งหลายจะพระราชทานยศแก่คนไม่มีสกุลพวกนั้นจะเป็นใหญ่ พวกมีสกุลจะตกยากไข่ไขจะไม่ทำความเคารพในพวกมีสกุลนั้นจะกระทําทความเคารพในพวกที่เป็นใหญ่ฝ่ายเดียวใถ้คยคำของคนบุตรผู้ฉลาดในการวินิจฉัยผู้หนักแน่นเช่นเดียวกับศีดาทึกจะไม่อย่างลงดำรงบั่นในที่เฉพาะพ ร, พรักของประราชาหรือในที่ประชุมอํามาตย์หรือในโรงศาลเมื่อพวกนั้นกนําลังกล่าว พวกนอบนี้จะคอยย่อเย้ยว่าพวกนี้พูดทําไมแม้ในที่ประชุมพิสูตพิสูตก็จะไม่เห็นพิสูตผู้มีศีลเป็นที่รักผู้ควรทำความเคารพว่าเป็นที่สําคัญในฐานะต่างๆดังกล่ า, าวมาแล้วทั้งถ้อยคํำของพิสูตผู้มีศีลเป็นที่รักเหล่านั้นก็<อ>จะไม่หนักแน่นมั่นคงจะเป็นเหมือนเวลาเป็นที่เลื่อนลอยแห่งศีลธั้งหลายฉะนั้น ไทยแม้มีสุบินนี้เป็นเทก็ยังไม่มีแ่มหาัพิธเชิญตรัสเล่าพราะสุบินข้อที่ส4บสี่เถิดมหาปิธข้าแต่พระองค์ูจเจริญหม่อมฉั้นได้เห็นฝูงเขียดตัวเล็ดๆขนาดดอกมะซางวิ่งไล่กวดมูเห่าตัวใหญ่ๆ ัดเนื้อขาดเาดาดาดาหมือนกัดก้านบัวและปืนกินนี่เป็นสุบินข้อที่ส4อสไรเป็นผลแห่งสุบินนี้พระเจ้าค่ะมหาพิษผลแห่งแน่สุบินข้อนี้ก็จะมีในอนาคตในเมื่อโลกเสื่อมโทรมดุจ ก, กันโดวยว่าในครั้งนั้นพวกมนุษย์จะมีราคาตริตแรงกล้าชาติชั่วปล่อยตัวปล่อยใจ ตามอำนาจของกิเลสจะต้องเป็นไปในอำนาจแห่งภรรยาเด็กๆของตนผู้คนมีทาตและกรรมกรเป็นต้นก็ดีสัตว์พันมีโคกระโดเป็นต้นก็ดีเงินทองก็ดีบรรดามีในเรือนทุกอย่างจะต้องอยู่ในครอบครองของพวกนางทั้งนั้นเมื่อพวกสามีถามถึงเงินทองโน่นโน่นว่าอยู่ที่ไหน หรือถามถึงจำนวนสิ่งของว่ามีที่ไหนก็ดีพวกนางจะพาท่านตอบว่ามันจะอยู่ที่ไหนไหนก็ช่างเถอะโค ร, ร, รงการอะไรที่ท่านจะโทรตาเล่าท่านเกิดอย่างรู้สิ่งที่มีอยู่และไม่มีอยู่ในเรือนของเราแล้วลื้แล้วจะด่าว่าด้วยประการต่างๆทิ่มตามเอาด้วยหอกคือปากดไว้ด้วยอำนาจดังธาตและทนรับใช้ ดำรงความเป็นเจ้าเป็นใหญ่ของตนไว้สือไปเมื่อเป็นชิ้นดีก็จะเหมือนเวลาที่ฟูงเขียดขนาดดอกมะซางพากันหยอกกินฝูงมูเหา่าซึ่งมีพิษแหล่เร็วฉะนั้นไผ่แม้สุบินนี้เป็นเหตุก็จะไม่มีแกมมหารพพิษดอกเชิญกลับลอกนิมิตข้อที่สิบห้าเถิด แต่พระองค์ผู้จริญโมมช่านได้เห็นหุ้งปยาหงทองที่ได้นามว่าทองก็เพราะมีขนเป็นสีทองพากันแวดล้อมกาผู้ประกอบด้วย อ, อักษรธรรมสิประการเที่ยวหากินตามบ้านเอออะไรเป็นผลแห่งพระสุบินนี้พระเจ้าข้ามหาบพิษผลแห่งสุบินนี้ก็จะมีในอนาคต แในราชการของพระราชาผู้ทุรพล น, นั่นแหละด้วยว่าในภายภาคหน้าพระราชาทั้งหลายจะไม่ฉลาดในศิลปะมีหัสดีศิล์เป็นต้นไม่กล้วกล้าในการยึดเท้าเธอจะไม่พระราชทานความเป็นใหญ่ให้แก่ผู้กบฏที่มีชาเสมอการผู้รังเกียจความวิบัติแห่งราชสมบัติของพระองค์อยู่จกพระราชทานพว้พนักงานเชื่องทรง และผู้กบฏเป็นต้นซึ่งอยู่ใกล้บาดมูลของพระองค์ผู้กบฏผู้สมบูรณ์ด้วยชาติและโคดเมื่อไม่ได้ที่พึ่งในราชสกุลก็ไม่สามารถเลี้ยงชีวิตอยู่ได้จะพากันปตนบัติํารุงฝูงทนที่ไม่มีสกุลมีชาติและโคดสามผู้ดํารงอิสริยยศจะเป็นเหมือนฝูงพญาหงษ์ทองแวดล้อมเป็นบริวารกาฉะนั้นไผ แม้มีสุบินนี้เป็นเหตงก็ยังไม่มีแกมหาปพิษเจิญกับเล่าสุบินที่สิบหต่อไปเธอมหาปพิษข้าแต่พระองคูเจริญเพ้าะในการก่อนๆซือ้อเหลืองผ่ากันตัดกินฝูงแตะหม่อมชั้นได้เห็นฝูงแตะผ่ากันไล่ขวดฝูงเสือเหลืองักินอยู่มุมุมำมำ ทีนั้นเสืออื่นๆคือเสือดาวเสือโครเห็นฝูงแกะอยู่ห่างๆก็เกิดความสะดุ้งกลัวถึงความเสียสยองและพากันวิ่งหนีหลบเข้าไปยังพุ่มไม้และป่ารกสุกซ่อนระหว่ากลัวฝูงแกะหม่อมฉันได้เห็นอย่างนี้อะไรเป็นผลแห่งสุบินนี้พระเจ้าข้ามหาภพิษผลแห่งสุบินแหวนี้ ก็จะมีเนี่ยราชการแห่งพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมในอนาคตเหมือนกันได้ ว, ว่าในครั้งนั้นพวกไม่มีสกุลจะเป็นราชวัลลกเป็นใหญ่เป็นโตพวกคนมีสกุลก็จะอับเฉาตกยากราชวัลลศเหล่านั้นพากันยังพระราชาให้ทรงเชื่อถือในไข่คำของตนมีกำลังในสถานที่ราชการ เมืองรงสารเป็นต้นก็พากันลุกเอาที่ดินไร่สวนเลืกนาเป็นต้นอันตกท้อสืบออมาของพวกมิสกุลทั้งหลายว่าที่เหล่านี้เป็นของของเราเมื่อพวกมิสกุลเหล่านั้นได้โต้เถียงว่าไม่ใช่ของพวกท่านเป็นของพวกเราและพากันฟ้องร้องอยังโรงสารเป็นต้นพวกราชวรรพบกก็พากันบอกให้เขี่ยนตีด้วยหวายเป็นต้น จะพอใสยออกไอพร้อมด้วยกลมขู่คุกคามว่าพ่อเจ้าเะรู้จักประมาณตนมาหาเรื่องกับพวกเราเดี๋ยวจะไปจูพระราชาให้ลงรพระราชอาญาต่างๆมีตัดมืออัดตีนเป็นต้นพวกมีสกุลกลัวเกรงพวกพราชวรกตบางก็ยินยอมให้ที่ทางที่เป็นของตนว่าที่ทางเหล่านี้ถ้าเป็นของท่านก็เชิญครอบครองเถิด แม้พาทันจาก บ, บ้านเรือนของตนนอนผวาผวาไปต่างๆกันแม้พิสุผู้ชั่วช้าทั้งหลายเล่าก็จะพากันเบียดเบียนพิสุผู้มีเสีเป็นที่รักตามชอบใจพวกพิสุผู้มีศีเปนที่รักเหล่านั้นไม่ได้ที่ทานักก็พาทั้งเข้าป่าแอบแฝงอยู่ในที่รกๆข้อที่ลระกูลผู้มีช่านสกุลทั้งหลายและพิสุ ผู้มีศีลเป็นที่รักทั้งหลายถูกคนชาติชั่วและถูกวิสุทธิผู้ราามอทั้งหลายเข้าไปประทุสร้ายอย่างนี้จะเป็นเหมือนการที่พวกเสือดาวและเสือโคร่งต่างๆทั้งหลายพาตลบหนีเอาตัวฝูงแกะเทนั้นไพยแม้มีสุบินนี้เป็นเหตุก็ยังไม่มีแกนมหาภพิษด้วยสุบินนี้ที่มหาภพิตีแล้วปารดอนาโขทั้งนั้น แต่พวกพรามมณ์ิได้ทานายสุบินด้วยความจงรักภักดีในพระองค์โดยถูกต้องเท่าที่ควรทํานายไปก็เพราะอาศัยการเลี้ยงชีพเพราะเห็นแ่อมิทว่าพวกเราจะได้ทรัพย์กันมากๆดูก่อนมหาประพิท ไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นที่มห า, าพิษฎได้เห็นสุบินเหล่านี้แม้พระราชาทั้งหลายแต่ก่อนก็นได้ทรงเคยเห็นแล้วเหมือนกันแม้พวกพราหมณ์ก็ถืออสุบินเหล่านี้นับเข้าในยอดยันวิธีอย่างนี้เหมือนกันันภายหลัอาศัยคําแนะนําที่พวกแตนบันดิตพาคัจจานุนจึ่งถามพระโพธิสัตว์แม้ท่านโบราณกะ บ, บันดิตทั้งหลาย เมื่อทำนาจะเป็นเหล่านี้แกพระราชาเหล่านั้นก็พากันทำนายทำนองอย่างนี้พระเจ้าประเสริฐโกรุททนอาราธนาแกพระศ า, าสดาพระพุทธองค์ ทรงนำเรื่องในอดีตสาทมาเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้ในอดีตการพระเจามมา้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลอุทิจพราม์บัวเกลือสีอยูณะหิมวันตัระเพทครั้งนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงพระสุ บ, บินส6บหข้อโดยทานองนี้พราม ก็ได้ทานายโดยทํานอง น, นี้เช่นเดียวกันสิษมานพของพรามผู้หนึ่งไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ฤาสีก็ทราบด้วยานเช่นเดียวกันเพราะมาทางอากาศรงที่อุทยานมานพก็ได้เข้าหาฤาษีแล้วแจ้งให้ทราบโดยตลอดแล่ให้มานพกราบูลพระราชาว่ามีดาบทผู้สามารถทำนายพระสุบินได้และกำลังรออยู่ที่อุทยาน เมื่อพระราชาทราบแล้วก็ทรงเสด็จไปแต่สนทนากับฤาษีในคำนองนี้เช่นเดียวกันพระราชาทราบความแล้วก็ทรงเลิกบูชายันตามคำแนะนำของรามแล้วตั้งอยู่ในธรรมตลอดพระชนชีพ ขันทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วเ้วยพระดำรัสว่าเพราะพระสุวินเป็นปัจจัยไทยยังไม่มีดอกหมามาพิษมามาพิษจงสั่งให้เลิกยันเสถพระรัฐทานชีวิตทานแก่หมาชนและสทรงเสืบอนุสสนทิพระชุมชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอา น, นุ์ในครั้งรี มานพได้มาเป็นพระสารีดุตส่วนพระดับได้มาเป็นเราตัฐาโคตนี้แหล